ส่วนท่านบอกว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะในหน้า312อยัตถกถาบอกว่าภิกษุผู้จะเข้านิโรธสมาบัตินั้ น, น่ะต้องสา ม, มารถที่จะกำหนดขอบเขตขององชาญได้อะนะอ่านิโรธสมาบัติกับอนุปปภะนิโรธก็คือกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะซึ่งจะต้องมีการดับโดยลำดับเพราะนั้นคนที่จะได้ปฐมชาญเนี่ยจะต้องรู้จากวิธีดับนิวรคนที่ได้ทุติยชาญต้องรู้วิธีดับ วิตกวิจารคนที่ได้ตติยะฌานจะต้องรู้วิธีดับปีติคนที่ได้จดตุตฌานต้องรู้วิธีดับสุขทุกโสมนัตโทมนัตที่มีอยู่ในการก่อนทั้งหมดเนี่ยนะคนที่จะได้อารูปฌานเนี่ยต้องรู้วิธีดับรูปฌานคนที่ได้ระดับสูงกาจะค่อยๆรู้จักว่าแต่ละฌานเนี่ยมีองค์เท่าไหร่แล้วจะอาศัยคุณธรรมเท่าไหร่มาดับมาดับอะไรเนี่ยนะเราง่ายๆว่าอโอ้แค่รู้เสียใจและคิดดับความเสียใจได้ก็เก่งเยอะแล้วเนี่ยนะ แต่รู้ว่าสิ่งที่ที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกซึ้งว่าว่าดับโดยเฉพาะดับความคิดเนี่ยมันดับยากแค่ว่าแมแมแค่ไม่สบายใจเนี่ยนะดับก็ไม่ใช่ว่าจะดับง่ายๆใช่หหรือมีเรื่องโลภชอบอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะใจมันอยากอยากอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะดับง่ายไหละ่ะบอกว่าดับยากเนี่ยนะนิวรณ์ทั้งหลายแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นสิ่งที่ดับยา ก, ยากมาก เพื่นทั้นก็เลยบอกว่าผู้ที่จะเข้านิโรสมาบัตินั้นจะต้องรู้ว่าฌานแต่ละองค์เนี่ยนะจิตที่เป็นสมาธิแต่ละอย่างนั้นะประกอบด้วยองค์เท่าไหร่แล้วถ้าจะดับแต่ละอย่างนั้นะมีวิธีการดับอย่างไร ที่สําคัญจะต้องรู้องค์ของแต่ละฌานว่าปฐมฌานมีวิตกวิตกเป็นยังไงวิจารเป็นยังไงปีติเป็นยังไงสุขเป็นอย่างไรเนี่ยนะคือเขาจะต้องมีว ส, สีทั้งห้าเนี่ยนะมีว ส, สีโดยเฉพาะอย่างเช่นได้ปฐมฌานต้องชํานาญในการเข้าชํานาญในการออกชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการนึกชํานาญในการพิจารณาองค์ฌานเนี่ยนะแล้วก็จึงจะสามารถก้าวล่วงองค์ฌานไปเป็น ธุติยาชาญเมื่อได้ทุติยาชาญต้องชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกและชำนาญในการพิจารณาองค์ชาญอีกแล้วก็เจริญคุณธรรมที่จะก้าวล่วงต่อไปอีกเนี่ยนะคือจะก้าวล่วงเขามีการก้าวล่วงไปโดยลําดับโดยลําดับนั้นค่อยๆละไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็บอกว่ายิ่งละเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นเนี่ยนะเหมือนร่างกายของเราถ้ากําจัดพิษภยัยโรคภัยออกไปเท่าใดาร่างกายก็มีความสุขเท่านั้น จิตทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้ากําจัดอะคุศลเจตสิกออกไปได้เท่าไหร่เพิ่มคุณธรรมให้เติบโตยิ่งขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ละไอสิ่งที่มันรุ่มร่ามออกจากใจออกไปได้เท่าไหร่จิตก็ยิ่งเบายิ่งสบายเท่านั้นโดยที่สุดถ้าดับจิตได้เนี่ยพิเศษที่สุดเนี่ยนะดับจิตกับสลบไม่เหมือนกันนะอ่นะดับจิตเนี่ยมันหมายความว่าดับด้วยอนุภาพของสมถะแล วิปัสนาผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติจึงชำนาญทั้งสมถะภะและลวิปัสนาพภะผู้ที่ได้สมถะภะอย่างเดียวพวกนี้เข้าฌาญสมาบัติผู้ที่ได้วิปัสสนาพภะอย่างเดียวพวกนี้จะได้พภะสมบาบัติเนี่ยนะชื่อชำนาญในวิปัสนาอย่างเดียวเข้าพภะสมาบัติมีนิพานเป็นอารมณ์ถ้าได้สมถะอย่างเดียวพวกนี้จะได้ฌาญสมาบัติถ้าทั้งสองอย่างควบคู่เคียงคู่กันไปนั่ น, compact, น, นแหละจึงจะได้ นิโรธสมาบัติเนี่ยนะถ้าเรียกว่าดับทั้งจิตเจตสิกดับทั้ง อ, อ, อารมณ์ทั้งหลายได้นเนี่ยนะดับดับเรียกว่าดับนามขันได้แหละคําถามในข้อห้าร้อยเนี่ยนะข้อห้าร้อยสองร้อยแปดหน้าสองร้อยแปดสิบสามบอกว่าถาพระสารีบุตรอินรีห้าเนี่ยนะที่มีวิสัยต่างกัน อัน น, นี้เกี่ยวกับเรื่องการดับไปเรย ล, ลาดับนะนะอินรนะียห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเออตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีวิสัยคืออารมณ์ที่ต่างกาันมีที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปแต่ละอย่างก็ไม่เสวยโคจรหรือเสวยอารมณ์ของกันและกันเช่นเอาตาไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรับกระทบสัมผัสไม่ได้อะ น, นะ ความเป็นใหญ่ของตาตัวจกักขระภาาธาตุนะตาหมายถึงจกักระสาษาธาตุไม่ใช่ลูกกับตาลูกกับตานี่มันวัดความดันวัดความร้อนวัดอุณหภูมิวัดอย่างอื่นได้ละ่ะแต่ว่าตัวจกักขระภาษาธาเนี่ยมันจะไปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเป็นต้นไม่ได้เนี่ยนะเพราะตาเนี่ยเป็นใหญ่ในการรับรู้ภาพหรือเห็นภาพหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกเป็นใหญ่ในการ รู้เกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการรู้รสเนี่ยนะเพราะนั้นเอามือชิมแกงก็ไม่ได้เนี่ยนะไม่เชื่อเอามือจุ่มไปในน้ําแกงแล้วบอกว่าอะไรนะเอามือไปแตะน้ําผึ้งดูว่าน้ําผึ้งนี่มันหวานแค่ไหนเนี่ยไม่ได้แล้วก็กายเนี่ยก็เป็นใหญ่ในในโพธพภะแต่ละอย่างนี่ใหญ่เฉพาะตัวเฉพาะตัวเนี่ยนะ ก็คือตาก็ใหญ่ของตาเนี่ยนะเพราะจะไม่มีการทดแทนกันได้ <c oughs> กด็เลยเรียกว่าวิสัยต่างกันแบอบกว่าความสามารถต่างกันเพื่อนอะไรงี้นที่เที่ยวไปก็ต่างกันและไม่ก้าวไก่กันเขาไม่แย่งกันนะตาไม่แย่งหูหูไม่แย่งจมูกจมูกไม่แย่งลิ้นลิ้นไม่แย่งกายกายไม่แย่งตายอีกนั่นแหละคือทางต่างคนต่างทางํทาหน้าที่ของตนของตนก็เรียกว่าอนิอนทรีย์เป็นใหญ่เฉพาะตัวเฉพาะตัว คำถามว่าแล้วอินทรีย์ทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีอะไรเป็นที่พึ่งอาศัยของอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้คือคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันต้องไปอาศัยอะไรเพราะทั้งทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมีวิสัยต่างกันมีโคโจรต่างกันไม่รับรู้อารมณ์ของกันและกันเนี่ยนะสเสวยเฉพาะอารมณ์ที่อยู่ในวิสัยของตนเท่านั้น ตาจะเสวยรับรู้ได้เฉพาะสีหูจะรับรู้ได้เฉพาะเสียงจมูกรับรู้ได้เฉพาะกลิ่นลิ้นรับรู้ได้เฉพาะรดกายรับกระทบได้เฉพาะโพธะเท่านั้นและอะไรเป็นที่พึ่งอาศัยของตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่อาศัยนะเขาบอกว่าที่พึ่งอาศัยเขาบอกว่าภาษาดิบุตรบอกว่าอาวุโส อินซีห้าเหล่านี้มีวิสัยที่แตกต่างกันมีโคจรที่แตกต่างกันไม่เสวยเฉพาะโคจรของกันและกันหมายความว่าไม่ไม่ก้าวไก่กันเนี่ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่พึ่งอาศัยของอินซีทั้งห้าเหล่านั้นไม่ใช่อะไรนะใจเขาเปิดพิมพ์ตกนะนับลงในหน้า 4, นะ 1, 2อ4ดสี่นหนึ่งสองสาม ส่หบรรทัดที่ห้าเนี่ยอาวุโสคุณไม่ใช่อะไรนะเอาคำว่าอะไรออกใจใจเนี่ยเป็นที่พึ่งอาศัยของอินรี่ห้าทั้งหลายเหล่านั้นใจเป็นที่พึ่งของตาใจเป็นที่พึ่งของหูไอไหนะใจเป็นที่พึ่งอาศัยของจมูกใจเป็นที่พึ่งอาศัยของลิ้นใจเป็นที่พึ่งอาศัยของกายอนะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมีวิสัยคือมีโคจรต่างกัน ร, รับหน้าที่รับอารมณ์ต่างกัน ใจนี่แหละใช้ทาหน้าที่ให้รับอารมณ์แทนอินทรีย์เหล่านั้นได้ใจเนี่ยแทนได้ใจนี่เก่งไนงะใจเนี่ยนะเขาบอกว่าเช่นภาพที่เคยเห็นใจมันก็นึกออกนะเออเคยเห็นสีแบบนี้เคยฝังมาใจมันก็รับแทนรับวิสัยอารมณ์แทนมันใจจึงเป็นที่พึ่งอาศัยของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะ ก็ตาก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งหูก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งจมูกก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งลิ้นก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งกายก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใจนี่แหละเป็นเรียกว่าแทบจะเป็นตัวแทนของตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้พระมหากฏฎิตาก็ถามต่อไปว่าท่านครับเนี่ยนะอินทรีย์ทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะ อาศัยอะไรดำรงอยู่อินรียห้เหล่านี้แหลนะนี่ยะภาษารีบุตรก็ตอบว่าอินรียห้าเหล่านี้แลอาศัยอายุจึงตั้งอยู่อันนี้เป็นคําถามระดับนิโรธสมาบัติแล้วหมายคําว่าตอนที่เข้านิโรธสมาบัติดับเวทนาดับสัญญาแปล ว, ว่าดับจิตเจตสิกได้แล้วไม่เหลือเลยจิตเจตสิกขณะเข้านิโรธสมาบัติไม่มีเหลือแล้วถามว่ามันอาศัยอะไรดำรงอยู่ ทำให้ตาเป็นไปได้จมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นไปได้ภาษารีบุตรก็บอกว่าอินสีห้าเหล่านี้อาศัยอายุคือชีวิตตินสีดำรงอยู่ผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยตาของ ทั้งๆที่จิตของท่านขณะนั้นไม่มีท่านดับจิตเจตสิกได้หมดแล้วเนี่ยนะไม่มีความรู้สึกนึกคิดเลยแล้วถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายจะกายเนี่ยมันเนื่องด้วยอะไรอาศัยอะไรอยู่ท่านบอกว่าอยู่ด้วยอายุคือชีวิตตินซีเนี่ยนะชีวิตตินซีนั่นแหละห่อเลี้ยงตาเอาไว้ชีวิตดินซีนั่นแหละหอเลี้ยงจมูกอ่าหล่อเลี้ยงหูหล่อเลี้ยงร่างกายเอาไว้แล้วอายุล่ะอายุคือชีวิตตินซีออาศัยอะไรจึงตั้งอยู่ได้ ภาษาทีบทก็บอกว่าอายอาุอายุคือชีวิตินทรีย์ลดำรงอาศัยเตโชธาตจึงตั้งอยู่ได้อัน น, นชีวิตินทร์ศีนี่นะอยู่ด้วยมหาภูตรูปคือเตโชธาตแต่เป็ น, เ ป, นเป็นประเภทกรรมชรูปเตโชธาตที่เรียกว่าเตโชธาตมาจากกรรมชรูปเป็นอุปนิสยปฏ์เป็นเป็นนิสยาปจัยเนี่ยนะ เป็นนิสยาปัจจัยที่สําคัญของชีวิตตินรียชีวิตตินรีเนี่ยเป็นตัวไปหล่อเลี้ยงตาหูจมูกลิ้นกายนะคิดง่ายๆว่าเอาแล้วชีวิตตินทรียอาศัยอะไรอาศัยปัจจัยคืออะไรอาศัยปัจจัยคือเตโชธาต์เอ่อขอไปอาศัยไม่ใช่อินทรีห้าอาศัยชีวิตตินรียชีวิตตินรียอาศัยเตโชธาต์และเตโชธาต์อาศัยอะไรก็อาศัยอายุอ้าว อาศัยอายุอายุคือชีวิตดินทรียชีวิตดินทรียเป็นที่อาศัยของเตโชธาตเตโชธาตเป็นที่อาศัยของชีวิตดินทรียเตโชธาตเป็นปัจจัยแก่ชีวิตดินทรีย์ด้วยนิสยาปัจจัยเนี่ยนะสหชาตินิสยาปัจจัยเนี่ยนะส่วนเตโชธาตอาศัยชีวิตดินทรียโดยอินรียะปัจจัยเนี่ยนะโดยรูปชีวิตอินรียะปัจจัยเนี่ยนะ พันสรุปว่าอายุอาศัยชีวิตดินซีเอ่ออายุอายุคือชีวิตตินซีอาศัยเตโชธาตเตโชธาตอาศัยชีวิตดินซีเอ่อตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยชีวิตดินซีสรุปก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละพระมหากรุติตาก็บอกว่าเราเพิ่งรู้ภาษิตของท่านพระสารีบุตรเดี่ยวนี้เองอย่างนี้ว่าอายุคือชีวิตดินซีเนี่ยอาศัยเตโชธาต เราเพิ่งรู้ภาษิตของท่านพระสารีบุตรเมื่อกี้นี่เองอย่างนี้ว่าเตโชาธาต์ก็อาศัยอายุนี่นะนะต่างอาศัยซึ่งกันและกันนี่นะนะชีวิตตินรีอ า, อาศัยอายุเอ่อชีวิตตินรีอาศัยเตโชาธาตเตโชาธาต์ก็อาศัยชีวิตตินรีแต่ทั้งคู่นั้นอาศัยกรรมเป็นปัจจัยนี่นะนะนะอดีตชาตินานาขาขน ก, กัคนี้กรรมเป็นปัจจัยแต่ปัจจุบันนี่ะ กรรมมันมองไม่เห็นไงทำกรรมมาตั้งเมื่อไหร่มารักษาให้ชีวิตดํารงอยู่ได้แต่ที่แน่ๆเลยชีวิตดํารงอยู่ได้เพราะเตโชธาต์เตโชธาต์ดารงอยู่ได้ก็เพราะชีวิตคืออายุเนี่ยนะแล้วก็ตัวอายุนี่แหละเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญของตาหูจมูกเล้นกายตาหูจมูกเล้นกายอาศัยอายุอายุอาศัยเตโชเตโชอาศัยอายุเนี่ยที่มองแบบใกล้ๆปัจจุบันน่ยนะถ้าดึงไปเหตุในอดีตเนี่ยนะ เพราะว่าพวกนี้ถ้าพูดแบบปัจจุบันเนี่ยโดยนิสยะป จ, จัยตัวปัจจัยก็ยังอยู่ปัจจ ย, ยุบันก็ยังอยู่แต่ถ้าหาว่าปัจจัยดับไปแล้วก็คือนา น, นะะัคขะคณิกกะกรร ม, มะปัจจัยในอดีตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้ภาษารียบทก็เลยเบอกอาโโซท่าอย่างนั้นน ะ, ะคือพระมหากโกธิตะถามว่าเอบอกว่าอายุอาศัยอา ย, อา ย, อายุเนี่ยมันจะรู้ อธิบายให้ฟังหน่อยอุปมาให้มันเข้าใจชัดๆหน่อยกว่า น, นี้หน่อยได้ไหมภาษารีบดบอกว่าเอาอย่างงี้ถ้าย tha, อย่างนั้นนะผมจะทําการเปรียบเทียบให้คุณฟังผู้รู้หรือวินยูชนบางคนในโลกนี้ย่อมเข้าใจเนื้อความแห่งภาสิทธ์ได้ก็อาศาัยการเปรียบเทียบหรือข้ออุปมาคืออย่างนี้ว่ า, าเตโชอายุคือชีวิตดินซีอาศาัายไอ throw, อุน่นไอ อ, อ, อ, อ่นก็อาศัย ชีวิตคืออายุเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนตะเกียงน้ำมันที่กําลังไหมแสงย่อมอาศัยเปลวเปลวก็อาศัยแสงไอตัวที่มันลุกเปลวไฟกับแสงไฟมันคุรันกันเนี่ยนะแสงอาศัยเปลวเปลวก็อาศัยแสงถ้าไม่มีเปลวจะรู้ได้ไหมว่านี่มันจะทําให้เกิดแสงได้ไหมถ้าไม่มีแสงจะรู้ได้ไหมมันเป็นเปลวไม่ได้เพราะะแสงไฟทําให้เกิดเปลวไฟเปลอเขาบอก แสงไฟอาศัยเปลวไฟเปลวไฟก็อาศัยแสงไฟต่างฝ่ายก็ต่างอาศัยกันแล้กันเนี่ยนะกันะทีนี้ปัญหาอันอื่นเนี่ยนะสรุปว่าเข้าใจกันนะว่าอายุอาศัยไอุนไอุนอาศัยอายุอาศัยกันในการเหมือนไฟเหมือนเปลวไฟและแสงไฟอาศัยกันนะี่ยนะ